ทำไมวนะคือมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี่ยจะต้องชี้แจงในถ้ำกลางสงนะพระสงฆ์ก็นาท่านไปบอกท่านมาท่านก็เข้ามาท่านทำอย่างนั้นจริงเหรอท่านไม่ได้สนใจที่เราจะไปนิพพานไปแล้วนะ่ะเถท่านไม่ได้สนใจอย่างพระสงฆ์พูดจริงเหอรอเจงพระเจ้าข่าเพราะเหตุใดเพราะข้าพระ อ, องค์ตั้งใจว่า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 อประเทศใหญ่ๆเข้ามาเอ้ยให้หรือไม่ให้ไอพวกลาวเขาเป็นนี่ก็ต้องต้องยอมฮะยอมแบ่งปันฮนี่แหละอันนี้นะคือในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ธรรมดาฮึจุดธรรมดายัางไงทำไมถ้าธรรมดาคงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะต้องเหนือทุกอย่างต้องเหนือหมดทุกอย่างเรียกว่าพุทธสยามภูรู้แจงโลกะนี่แหละ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 นี่นะท่านเพาะบ่มอยู่ที่นี่แหละว่าบั่นน้องผือนาในนี่นะที่พวกเราได้ลูกหลานทั้งเราพวกเราลูกหลานเลนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ได้ศึกษากัรล้วนแล้วจะเป็นประวัติประวัติศาสตร์ในยุ ค, ยคนี้แต่รุ่นปู่รุ่น โทษของเราก็เริ่มทยอยไปกลับไปเกือบหมดแล้วนะสมชายลองขึ้นมาเอาลับผ่อนไ้น ะ, ะนะี้จะาตายญาติโยมลูกหลานนะสมชายบอกว่าพอแล้วพอแล้วหลวงพอ่อพอแล้วนะ